อยากยมทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของเราให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงกันสักนิดหนึ่งั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้เจริญสติสำรวจใจสำรวจกายของเราแล้วด้วยอย่างแต่อย่างก็เริ่มเซนนะนั่งตามสบายวางกายให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเนียบไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ แล้ก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆการสูดลมหายใจยาวๆผ่อนลมหายใจยาวๆกายก็รู้สึกสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราก็จะชัดเจนเราพยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้แหละนี่ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่โ น, น่นพอรู้ตัวปุ๊บ เราก็รู้สัมผัสท้งลมหายใจปับ๊บเวลาหายใจเข้าก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่หายใจออกก็มีความรู้สึกรับรู้อยู่ฝึกให้เกิดความเคยชินฝึกให้เกิดความชํานาญเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็หายใจมาตั้งแต่เกิดแต่เราขาดการสนใจการสังเกตการวิเคราะห์ความรู้สึกรับรู้อยู่ขณะลมหายใจเข้าออกทานเร็วว่าสติรู้กาย รู้ให้ต่อเนื่องทั้งเวลาลมหายใจเข้าหายใจออกให้ต่อเนื่องกันทักนาทีสองนาที 5, หนาที10นาทีขึ้นไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าสัมปะชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ให้ต่อเนื่องลึกลงไปแล้วก็เราก็จะรู้ลักษณะของใจใจที่ปกติเป็นอย่างไรความคิดที่ผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนาม ใจปรุงแต่งส่งไปภายนอกเป็นอย่างไรเป็นกุศลหรือว่าอากุศลหรือว่าเป็นกลางๆเราก็จะรู้ลักษณะหน้าตาอาการของใจของอากาศของขันห้าแต่เวลานี้ความรู้ตัวหรือว่าสติของเรามีไม่เพียงพอมีแต่เราไปนึกไปมั่นหมายเอาสติปัญญาที่เกิดจากใจเกิดจากขันห้าอันนั้นก็เป็นสติปัญญาของสมมุติ แต่ยังไม่ใช่สติปัญญาที่จะเข้าไปละทุกดับทุกเข้าไปทำความเข้าใจชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลทุกคนเกิดมาด้วยแรงเวียงคงกม เกิดมาด้วยแรยงเวงของบุญมีบุญทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนามีโอกาสที่จะได้ศึกษาทําความเข้าใจมองเห็นแนวทางว่าการเกิดของใจนี้เป็นอย่างไรทําไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงทำอย่างไรเราถึงจะคลายความหลงได้การสร้างบุญสร้างบารมีทุกคนสร้างกันมาดีฝักใฝ่ในการทาบุญในการให้ทาน แต่การทำความเข้าใจในส่วนานมามธรรมคือตัวจิตวิญญาณในกายของเรายัางไม่ชัดเจนท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกล่องสังขารให้รอบรู้ในวิญญาณในขันห้า ให้ hey, รอบรู้ในโลกธรรมคำว่ารอบรู้เป็นลักษณะอย่างไรเห็นอย่างไรการขัดเกกิเลนเป็นอย่างไรการสร้างบา ร, รมีเป็นอย่างไรเราก็สร้างบา ร, รมีกันอยู่แต่การทำความเข้าใจอันนี้ลักษณะของสติเป็นลักษณะอย่างนี้การจเจริญสติเอาสติปัญญาไปใช้อย่างนี้จนรู้เท่าทันใจจนใจคลายออกจากความคิดซึ่งเรียววาแยกรูปแยกนาม แยกรูปเียกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกนี่แหละถ้าใจใคลายออกจากความคิดได้ความเห็นถูกคลายความหลงได้ความเห็นถูกก็ปรากฏถึงเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวของเราก็จะตามเห็นการเกิดการดับของกันหท่านถึงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตา เวลาเขาจกไปแล้วความว่างเปล่าเข้ามาปรากฏใจก็ว่างรับรู้อยู่แต่เวลานี้ทั้งใจทั้งขันห่าเขารวมกันไปก็เลยรู้ว่าคิดรู้ว่ารมก็เลยหลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นเราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปสังเกตรูร้ไม่ทันก็รู้จักหยุดรู้จักควบคุมก็เรียกสมถะใจเกิดกิเลสก็ค่อยขัดเก่ากิเลสอยาเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรซึ่งมีอยู่ในกายของเราทุกคน จะมีมากมีน้อยการเกิดการดับมีมีทุกวันมีทุกวันวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนาทีหนึ่งไม่รู้ว่าเกิดสักกี่เรื่องเหตุจากภายนอกทําให้เกิดหรือว่าเกิดจากภายในนี่เราต้องมาเจริญสติเข้าไปอบรมเข้าไปแยกแยะเข้าไปชี้เหตุชี้ผลตามดูรู้เหตุรู้ผลเข้าตั้งแต่ถึงรู้ตั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุจนใจของเรามองเห็นความเป็นจริงเขาก็จะปล่อยก็จะวาง จะต้องพยายามลมแล้ลุกขึ้นมาใหม่แก่ไขใหม่อย่าปิดกั้นตัวเราทุกคนก็มีบุญอยู่แล้วมีโอกาสมีวาสนาอย่าปิดกั้นตัวเราทุกคนก็มีลมหายใจเข้าออกอยู่ได้ตลอดเวลาแต่เราขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์ไปมองข้ามอยากจะได้ตั้งแต่ทำอยากจะได้ตั้งแต่บุญการทําบุญก็ได้บุญ การจเจริญสติเขาไปแยกแยะชี้เหตุชี้ผลกําลังสติปัญญาของเราเร็วไวเข้มแข็งโตเนื่องสักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นไม่เห็นวันนี้ก็ต้องเห็นปุ่งนี้ไม่เห็นปุ่งนี้ก็เห็นเดือนหน้าปีหน้าถ้าไม่เห็นจริงๆอันนี้ส่งสิ่งที่พวกเราทําก็จะไปต่อพบหน้าบุญสมมุติเราก็ทําให้เต็มเปี่ยมไม่ว่าอยู่ที่ไหนที่ไร่ที่นาที่ทําการทํางานอยู่ที่บ้านตื่นขึ้นมาเราก็รีบรู้กายห้องเรารู้ใจห้องเรา อะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังอะไรควรนาเนินประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์อยู่ปัจจุบันเราก็ต้องทําให้ดีไม่ใช่ว่าจะไปผลัดวันประกันพรุ่งเราพยายามแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรามัน่นฝ้าสอนใจของเรามัน่นฝ้าสอนกายว่าจะใจของเราบุญก็อยู่ที่นี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ต้องไปหาไกลทํากายให้เป็นวัด ทำใจให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระยยไปปล่อยมีความสุขในการดูในการรู้ในการแก้ไขไม่ต้องไปโทษคนอื่นจงโทษตัวเราแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราเร้งแต่ตื่นขึ้นมาแล้วการกระทํำของเราก็ให้ถึงพร้อมมีความเพียรมีความขยันหมั่นเพียรเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบมีความเชื่สละมีความอดทนมีพมหมีหานมองโลกในทางที่ดีไม่ว่าพระวายมบัชี ก็ต้องไปพยาย่ามโอกาสเปิดการเวลาเปิดการทําบุญให้ทานไม่ว่าอยู่ที่ไหนดีหมดอย่าว่าไม่ทําทําเลยอย่าว่าไม่ทําเรามีโอกาสทำมากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเรายิ่งจเจริญสติเข้าไปขัดเก้ากิเลสให้มันหมดจดได้ยิ่งประเสริฐซับภายในเราก็ไม่ทิ้งซับภายนอกเราก็ไม่ทิ้งอย่าไปรอวันรอเวลากิเลสเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็ละทันที เราละกิเลสได้หมดจดเราไม่อยากจะได้ความบริสุทธิ์ของใจเราก็ได้เราดับความเกิดของใจใจไม่เกิดเราไม่อยากจะได้ความนิ่งความสงบเราก็ได้แต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดด้วยหลงด้วยหลงขันห้าด้วยเขาเขาหลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดเขาหลงวนเวียนไหวตายเกิดมานานจนกระทั่งมาเกิดมาสร้างภพของมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วเขาก็ เรียว่าเกิดต่ อ, อขณะที่เกิดนั้นบางทีก็มีกิเลสเข้าไปเจียโปนบางทีก็ความโลภ บ, บ้างความโกรธบ้า ง, คว า, างความยินดียินรายบ้างทั้งผักใส่ทั้งดึงเข้ามาหลงตัวเองหลงคันห้าก็ยังไม่พอเป็นหลงในโลกธรรมอีกหลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงอีกท่านถึงให้เจริญสติโปรงที่กายเพื่อที่จะแยกรูปแยกนามตามดูรู้เหตุรู้ผลที่เหตุที่ผลละกิเลสหยาบกิเลสละเอียดแล้วก็ ดับความเกิดความเกิดนั่แหละคือความหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดกิเลสหลายชั้นจริงๆนะอย่าพากันประมาทท่านถึงบอกว่าให้สร้างตะบะสร้างบรารมีความขยันหมั่นเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่ความรับผิดชอบของเรามีเพียงพอหรือไม่ความอด น, น, น้อมถ่อมตนความเสียสละความอดทนมีความสัตย์มีสัจจ มีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองมีความซื่อสัตย์ต่อคนอื่นมองโลกในทางที่ดีการได้ยินได้ฟังพวกเราได้ยินได้ฟังกันตลอดแต่การลงมือการกระทําจริงๆต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดากายของเราประกอบขึ้นมาด้วยอะไรบ้าง ที่ท่านบอกว่าธาตุสี่ขันห้ามีวิญญาณเข้ามาครองอย่าปิดกั้นตัวเราทําเธอะอย่าว่าไม่ทําให้รีบๆทำตั้งหัดตั้งเจตตัวเรารู้ไม่ทันเริ่มใหม่รู้ไม่ทันเริ่มใหม่เพียงแค่การเจริญสติก็ยังไม่ค่อยจะทําให้ต่อเนื่องกันก็เลยไม่รู้ความความเป็นจริงคนเราเนี่ยได้ทําบุญตลอดเวลาบุญมากบุญน้อยก็ได้ทําตลอดเวลาวันนี้ก็ขอนี่ยมนพระ คุนเจ้าพระทุกรูปทั้งแม่ชีพากันไปร่วมงานทำการชาวปน ก, กิจศพของคุณตาชายด้วยคุณตาชายบัานเปรียฟานท่านก็ได้วหวชนหลายชนไปเมื่อวันก่อนสองวันก่อนผู้เฒ่าที่อายุมากที่สุดในตำบลสำรานของเราอายุร้อยกว่าปีสมัยก่อนตั้งแต่ท่านอายุเ0ิปีก็นึกว่าจะไปไม่รอดท่านก็ได้มานิมนต์ นิ ม, มนคณะของพรกหลวงพ่อนี่แหละไปสวดทำพิธีท่านจะไปไม่รอดก็ไปสวดทำพิธีมตติกาบางสกุลเป็นบางสกุลตายหลังจากนั้นมาท่านก็แข็งแรงจนอายุได้รวมร้อยกว่าปีท่านถึงพึงจะวายชนท่านก็ได้มารับเอารงเอาความเฉยเหลือไปทุกวัน ทุกวันทุกวันมีญาติโยมมารับเอาลงศพทุกวันทุกวันวันละหลงบงั้งสองหลงบ้างวันที่ยีสหรือก็อให้นำหลงเข้ามาได้เลยนะทางคุณตาเป็นอยู่ที่ฝากครอบครัวบริจาคหลงศพ60ลงให้เอาเข้ามาได้เลยญาติโยมท่านใดปรารถนาที่อยากจะมาร่วมมาช่วยก็มาช่วยกันทําบุญหลายอย่าง หลวงพ่อก็ได้พามอบหลงศพให้กับทุกคนสมัยก่อน3ปีก่อนนั้นก็เพียงแค่ตำบลสำราญแต่เวลานี้ไม่ใช่ตำบลสำราญอย่างเดียว89ดเกตำบลรอบเมืองของเรามาหมดเลยมาหมดเลยวันละหลงบงังสองหลงบงังที่มอบให้ไปก็หกร้อยดหลงแดหลงและออแล้วก็มอบเงินให้ไปช่วยทำชาวพนณกิจศพอีกศพละ 5,000 ทั้งพาตไตจีวร้าดไตาจีวรทุกเทียนให้ครบบริบูรณ์ไม่ให้ลาบากให้ไปช่วยจัดงานศพแต่เราจบเพราะเวลาคนบ่ายชนนวัาตายไปแล้วก็ลาบากอยู่รักษากันก็หมดเงินหมดทอ ง, ห ม, ทองหมดที่พึ่งบางครัง้งบางข่าวก็ดึกดึกก็มาบางครัง้งบางข่าวก็ตี 4, ต่สี่ีห้าก็มาบางทีวิญญาณมาก่อนเลยก็มีวิญญาณมาเรียกมาเรียกพอเผอแป๊บเดียวก็ สีหาทีก็มีคนมารับเอาลงบางครั้งบางข่าวก็มาเรียกลุงพอ่อลุงพอ่อลุงพ่ออยู่ข้างกุฏิเปิดมาก็ไม่มีเปิดมาก็ไม่มีบางครั้งบางข่าวน้ํามำกระจายกระโดดน้ําในน้ํากระจายเตือนไม่ไม่มาออกมาดูก็ไม่เห็นน้ํากระเพื่มอมก็แสดงว่าวิญญาณมาบอกกล่าวมาบอกกล่าวก่อนก็มีหลายครั้งด้วยนี่แหละเรามีโอกาสเราได้ทําบุญ ไม่ว่าจะช่วยเหลือพี่น้องของเราหรือว่าจะทำอะไรที่จะเป็นสิริมงคลฝากเอาไว้ในสมุิฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้เป็นสมบัติของส่วนกลางตรงพ่อก็พาพี่น้องเราทำทุกอย่างเท่าที่โอกาสจะเ อ, อื้อำอำนวยเดี๋ยวนี้ก็ผ่ากันทำมาหาเจดีย์ใหญ่พุทธเมตตาหลวง การวางรักฐานก็ฐานข้างล่างก็เสร็จแล้วแหละก็จะได้เริ่มขึ้นเสาขึ้นบนขึ้นนั่นก็ขอเชิญพี่น้องเรามีโอกาสอยากจะมาร่วมกันก็มาอยากจะมาช่วยกันก็มากำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ ใช้งบใช้ทุนเยอะบอกเก่าเทวดาที่มีกายเนื้อแล้วก็ไม่มีกายเนื้อให้มาร่วมกันหลวงพ่อขอขอบคุณทุกคนทุกฝายที่ได้น้อมกายมาช่วยกันเห็นว่าทางโกศทางคุณชายก็ได้ให้บริวารมาช่วย ห, หลายคนหลายท่าน บางครั้งก็เดือนละเที่ยวสงเที่ยวเดือนละเจ็ดแปดวันสองสามวันทางงปูนท่านก็ให้บริวารมาช่วยทางคุณถานินละยองทางกรุงเทพทางสาธิตเดี๋ยวนี้คุณสาธิตก็ให้บริวารมาช่วยปูหินอ่อนทางพยานาคเข้าไอ้านเจดีอยู่ทุกคนก็มีโอกาสก็ข อ, ขอให้มาช่วยกัน ฝากทาบุญเอาไว้คนละเล็กละน้อยฝากเอาไว้ในสถานที่แห่งนี้ฝากเอาไว้ในใจของเราไปที่ไหนก็เรามาช่วยกันตั้งกองบุญใหญ่ตั้งเอาไว้กองบุญกองนี้จะไม่จบไม่สิน้นพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะมาสร้างสารโตเป็นกองบุญมาห่มมาไปตกอยู่ที่ไหนอั น, นิสงส์บุญก็จะส่งเกือ้อหนุนเราไม่ให้ตกอยู่ในที่ลำบาก เราจะไปมองข้ามบุญเด็กๆแน่นอนจากกองเน่นอก็เป็นกองใหญ่มาหืมาฝากเอาไว้จะเป็นเหมือนกับพระธาตุพนมจะเป็นเหมือนกับนครปฐมเพราะว่าได้อัญเชิญพระบรมสารีรธาตุมาปฏิทฐานเอาไว้พวกเรามีโอกาสมากพวกเรามีโอกาส มีศรัทธามีความเพียรมาร่วมกันมาช่วยกันคนละเล็กละน้อยฝากเอาไว้ขณะที่ยังมีกำลังอยู่ก็ขอเชิญหรือว่าท่านใดอยากจะน้อมกายเข้ามาช่วยก็มาได้ตลอดเวลาใครใมาตั้งลงทานก็มาตั้งลงทานตลอดอยากจะนำน้ำกับข้าวกับปลาอาหารเข้ามาร่วมลงทานก็ออามาได้ส่วนวันที่18ที่จะถึงนี้ ก็จะได้มีการลงอุโบสถสังฆกรรมกันที่วัดคงเหล่าทางคณะสงฆ์หลวงพ่ออุปชาท่านก็ได้พิจารณาแล้วก็จะได้มาร่วมลงอุโบสถสังฆกรรมในอุโบสถที่สองของการเข้าพรรษาญาติโยมท่านได้ปรารถนาอยากจะมาร่วมถวายอาหารพัตาหารพระคุณเจ้าก็ร่วมร้อยก็รูปก็ขอเชิญนะ ได้มาสร้างบุญอา น, นิสงส์งการทำบุญให้ทานว่าอยู่ที่ไหนก็ให้รีบทำเพียงตั้งแต่คิดดีทำดีการกระทำของเราให้ถึงพร้อมอา น, นิสงส์งผลบุญผลทานก็จะส่งผลให้เราเข้าถึงนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดดับความเกิดขัดเก่ากิเลก ทีละเล็กทีละน้อยไม่จบวันนี้ก็จบพรุ่งนี้ไม่จบพรุ่งนี้ก็เดือนหน้าปีหน้าวันนี้มีพรุ่งนี้มีพบหน้ามีอย่าพากันประมาทเอาละวันนี้ควรจะเรียนทำแบบตนนัวนี้พากันไหวพรกันพร้อมๆกันพากันไปสร้างฐานโตทําความเข้าใจให้รู้ทุกอรื่องบท